บุกทูสี่สิบหกวารด็กเซสในดิสโกเทกฉันมาดิสโกเทกที่นั่งนี้ว่างไหมคะชุดที่อิลโลก็อสตสลิเบราดิฉันนั่งกับคุณได้ไหมคะ เชิญค่ะคอนลุคุณคิดว่าดนตรีเป็นอย่างไรคะพ่สลเสียงดังไปนิดค่ะอยมโทรลาแต่วงดนตรีเล่นดีมากค่ะเซลาบัาบนโดรบเนมูิกส คุณมาที่นี่บ่อยไหมคะชูวิออฟเตเวนัสจิเทียนไม่บ่อยนี่เป็นครั้งแรกค่ะนะบูนัลลวโฟยัสดิฉันไม่เคยมาที่นี่เลยค่ะมีอังคอเรอเนียมเอสติสจิเทียคุณอยากเต้นรำไหมคะชูวิชาตุสดันซี อีกเดียวอาจจะไปค่ะ e e. ดิฉันเต้นไม่เก่งค่ะ si ง่ายมากเลยค่ะ <Tre simplest. S 1> ดิฉันจะแสดงให้คุณดูไม่เป็นไรวันอื่นดีกว่าค่ะ เนี่ย nee. preferable ลายฟ e. อย์คุณรอใครอยู่หรือเปล่าคะชูวิอัตเทนัสอียุนใช่ค่ะรอแฟนอยู่ Yes มีอันคอร์มีคนเขามาแล้วคะ่ะลิอาเวนสทียเมาลานทาวั